เพราะนันการฟังธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ท่านก่อนได้แนะนำบอกกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกการฟังธรรมแต่ละท่านแต่ละองค์ที่มาแสดงศรัทธาแยง่งยมในคังนี้ก็คงจะมากแต่ก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แต่สุดแท้แต่องค์ไหนที่ท่านจะ หยิบยกจุดไหนมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนำพวกเราบางทีผสมประสานกันองค์ น, นี้ก็ผสมประสานกันต่างองค์ก็ต่างผสมประสานแต่พวกเราได้ยินได้ฟังต่างกรรมต่างวาระต่างองค์พวกเราควรคงจะได้แยกแยะว่าโออันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อนแล้วเอออันนี้เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ ไปยไดย้ฟังแต่ครั้งก่อนไม่ชัดเจนแต่คราวนี้ท่านพระอาจารย์องค์นี้เทศให้ฟังแล้วกแบบ็จำได้ชัดเจนอย่างนี้เป็นตน้นเพราะท่านท่านเพียงพูดเป็นคํามาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนี้สงแห่งการฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก่อนแล้วนะมาอันนี้สงแห่งการฟังธรรม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 ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าคนไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นพวกเราต้องอาศัยการได้ยินหลายครั้งต่อหลายหันหลายคราวลึกคูบายอาจารย์องไหนแสดงธรรมให้ฟังเราเข้าฟังเราไม่ปฏิเสธการฟังธรรมเราต้องทำใจให้เป็นกลางกลางอย่าไปปฏิเสธในใจอย่าไปเชื่อจนเกินไป ก็ไม่ได้จะไม่เชื่อจนเกินไปก็ไม่ได้เรียกว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ว่ากินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นและภาวนามยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาคือเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทำจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วทำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือปัญญาของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้ที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสได้ต้องอาศัยภาวนามายะปัญญา แต่ถ้าว่าพวกเราใช้ความเชื่ออย่างเดียวฟังและเชื่ออย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ไม่ไม่ให้ทําอย่างนั้นจะให้ปฏิเสธอย่างเดียวท่านก็ไม่ให้ทําอย่างนั้นคือให้ฟังเอาไว้เน่ยเพราะท่านถามภาษาริบุตรว่าดูก่อนสาริบุตรที่เราแสดงทำให้แก่ท่านฟังพวกท่านทั้งหลายฟังไปแล้วนี้พวกท่านทหลายมีความเห็นอย่างไรเชื่อไหม ราษาในบุรกราบทูลพระพุทธเจ้าวะอย่างพระเจ้าข่ายังไม่เชื่อก่อนเพราะพวกข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติดูในเมื่อได้นำทาคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัติดูแล้วข้าพระองค์พวกข่าพระองค์จะกราบทูลถวายเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี่แหละอันนี้คือภาษาในบรแต่ในใจของพระในใจของท่านท่านเป็นพระหันท่าน เชื่อพราะพระพุทธเจ้าตรายังไงเชื่อแต่ที่ท่านพูดที่มาคํานั้นท่านพูดเพื่อภาพรวมคนทั้งหลายให้เข้าว่าเป็นแนวทางเอาไว้ได้ยินสิ่งไหนมาก็ตามอย่าไปเชื่อทีเดียวต้องฟังเสี ก, ก่อนฟังและต้องนําไปประพฤติปฏิบัติดูก่อนว่าคําพูดครูบาอาจารท่านนี้ท่านพูดอย่างนี้เข้ากฎเกณฑ์ที่เราประพฤติปฏิบัติได้ผลอย่างไรมากน้อยแค่ไหน อ, อันนี้ เราก็จะต้องนํามาวิเคราะห์ อ, อีกครั้งหนึ่งด้วยปัญญาของเราเท่าที่มีนะเท่าที่มีในตัวของเราเราต้องนํามาวิเคราะห์ให้สุดๆเนในใ น, ในทำคาสอนนั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเราเอา่อพอได้ยินแล้วก็ฟังแล้วก็เชื่อ เ, เอาเลยเออความเชื่อคํานีนะ้พระพุทธเจ้าก็ท่านก็ไม่เห็นด้วยอีกเหมือนกันท่านบอกมัน อาจารุ่มหลงมววเมาไปได้ง่ายๆคือศรัทธาความนี่ศรัทธาคือความเชื่อจุดนี้ทำให้มืดมัวปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันเชื่อที่เดียวพูดอะไรก็เชื่อหมดก็เป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันอย่างภาพพาหิยะที่ท่านไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านกับปีตเิเกิดปีติอย่างแรงอย่างท่านก็เข้าไปถาม พระพุทธองค์กำลังบินทพบาตอยู่ในกรุงสา ว, วัตถีพายะประเดินเข้าไปครัพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์จงแสดงธรรมให้แก่ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระพุทธองค์ดูแล้วพายะเป็นผู้เปี่ยมร้นล้นไปด้วยปีติคือศรัทธาคือความเชื่ออย่างสุดซึ้งขาดปัญญาพระพุทธองค์บอกว่ายังไม่พร้อมพายะรอก่อนเน่ทีนี้วาน ปีติของท่านใน ว, วันเชื่อของท่านปีติในจิตใจของท่านที่ท่วมท้นลดลงแลถึงเดินไปอีกตามไปขอพระองค์จงแสดงคำให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเทิดพระเจ้าข่าแต่กับพระพองค์ก็บอกบางอย่าก่อนพาหิยะอย่างไป่ใช่โอกาสพอครั้งที่สขอพระองค์จงขอพระองค์แสดงคำให้ข้าพระพุทองค์ฟังด้วยเทินเพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์และไม่ไว้ใจในชีวิตของ พระพุทธองค์ด้วย เ, เพราะท่านก็นคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เคียงแท้แน่นอนเพราะพุทธองค์เห็นว่าเออจิตใจของพายะอยู่ในระดับที่จะต้องฟังทำได้พราะพุทธองค์จึงได้หยุดแสดงธรรมให้พายยะฟังทำที่พรพุทธองค์ได้แสดงนั้นก็นิดเดียวรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็น ย่าให้ความสําคัญในการรู้และการเห็นนั้น เ, เข้าใจไหมพายยะลักษณะอย่างนี้แหละพระพุโลงได้แสดงในวันนั้นพายยะก็เข้าใจท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันในขณะที่ยืนฟังธรรมเพราะว่าจิตท่านท่านตั้งไว้ดีแล้วข้องใจงท่านอยู่ในตั้งอยู่ในความสงบแล้วพอฟังเข้าไปมันก็กระแทกเพราจุดนั้นเลยรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็น ไม่ให้ความสําคัญในการรู้และการเห็นนั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ถึงคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนภาษาวกของพระองค์มีมากล้าไกลเพราะฉะนั้นพวกเราให้ฟังเอาไว้สิ่งเหล่านี้แล้วพวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติมากํากับกับตัวของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสุดแท้แต่ปัญญาของพวกเรา เพราะนั้นการฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัดตั้งวัดสำนักขีดมานี้ตั้งแต่บลวงปู่เทพครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นทวดของพวกเราได้แสดงธรรมให้แก่ปู่ย่าตายายของพวกเราเก่าก่อนเก่าแก่จนถึงยุคปัจจุบันขณะนี้หลวงพ่อว่งมากลากลายทีเดียวถ่าว่าองค์ไหนแสดงธรรมแล้วก็บันทึกใส่เทปใส่เอ็มพีสามาไว้ทุกทุกอง ที่แสดงธรรมหลวงพ่อว่ามากมายทีเดียวไม่ต้องอไม่ต้องหาครูบาอาจารย์มาแสดงอีกคงจะสลบับซับซ้อนกันมากทีเดียววิธีการประพฤติปฏิบัติในวัดหลังสารละวัดสมณกิจของพวกเราแห่งนี้เพราะนั้นวันนี้วันหนึ่งที่หลวงพ่อได้มาแสดงธรรมหรือมาแสดงแนวความคิด ให้แก่ขา้าราชกาญาติโยมได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง เ, เพื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางนึ่ง เ, เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังไม่ได้ไม่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์องค์อื่นแสดงธรรมแต่มาคราวนี้กไ็ได้ยินหลวงพ่อเป็นองค์แสดงให้แก่พวกเราได้ฟังและก็พร้อมกันเมื่อหลวงพ่อ แสดงทำจบลงไปแล้วหลวงพอมีเอ m p พสติดไม้ติดมือมาด้วยแต่คงจะไม่มากถ้าคิดว่าน่าจะครบกันจะแกกันคนรับแผนเพื่อนำไปฟังแต่ว่าเมื่อได้ไปแล้วก็ขอให้พวกเราเอาไปฟังฟังดูเวลาฟังหลวงพ่อฟังเทศหลวงพ่อแนะนำเวลาฟังเทศของหลวงพ่อนให้อยู่ในความสงบนะบางทีนั่งรถไปจะไปคุยกัน เลยแล้วนั่งอยู่ในฟังอยู่ในบ้านเคยอยาไปคุยกันนั่งอยู่ในความสงบฟังพอฟังจบกันเนี่ยเราปิดไว้ก่อนพอปิดไว้แล้วก็พักสมองก่อนว่านั้นแล้วค่อยเปิดฟังอีกเปิดฟังเสร็จแล้วก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็แล้วค่อยฟังอีกถ้าฟังอย่างนี้หลวงพ่อมั่นใจได้เกินว่าเอ็มพีสาที่หลวงพ่อแจกไปนี้จะเกิดประโยชน์สาหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ถ้าเราพวกเราฟังตะเดะเปิดเปิลไปเรื่อยนอนฟังบังอะไรฟังบังขาดความเคารพการฟังเป็นของสนุกสนานเหมือนกับร้องรําทําเพลงมันก็ไม่สนุกสนานเหมือนร้องรำำําทํเาเพลงคือมันก็เลยลาคาญในการฟังผลที่สุดก็เลยได้ยินเสียงพระพูดพระเอกก็เลยลาคาญเพราะไม่ได้ฟังด้วยเหตุผลการฟังด้วยเหตุผลเนี่ยฟังไปแล้วใจร้องด้วยเหตุผลแล้วพวกเรา จะเกิดสติเกิดปัญญาแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาจะลึกซึ้งในทมคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็จะแนะนำมาประฤติปฏิบัติเป็นวิถีใชีวิตของพวกเราเป็นวิถีที่ว่านำเกติวิญญาณคือนำทางด้านจิตใจธรรมะนี่คือสอนใจไม่ได้สอนอย่างอื่นนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนใจของพวกเราเพราะนั้น เอ็ที่หลวงพ่อจะแจกมีของหลวงตาด้วยมีของหลวงพ่อด้วยอยู่ในจุดแท้แต่คนท่านผู้ใดจะได้อันไหนนะแต่ทึ่อย่างไรก็ของหลวงตาเป็นธรรมะที่นึกซึ้งแต่พวกเราเมื่อได้ไปแล้วพวกเราจะก๊อปคนหนึ่งได้กันหนึ่งคนหนึ่งได้กันหนึ่งแตก๊อปแจกกันหลวงพ่อไม่สงวนลิษ์ศิ์นะเพราะธรรมะนะั้นไม่สงวนฤกษ์ศิษย์แต่ถ้าว่าแจกเพื่อเอาไปจําหน่ายเอาไปขาย อันนั้นเอออันนั้นขอสนสมวน์สมน์ฤกษ์ศิ์ไม่ให้ไม่ให้ทํำก็ธรรมะําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางอยู่แล้วเราจะไปขายธรรมะได้ยังไงมันไม่ถูกนะแล้ต่อห น, นี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมเป็นพิธีสักหน่อยนะไม่ตามปกติหลงข้อจะเทศหลงข้อจะพูดพูดไปเลยแต่วันนี้เห็นคณะสัตวทายญาติโยมถ้าสมมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ควรจะแสดงทำเป็นจิตจะลักษณะให้ท่าว่าเป็นาศาสนาพิธีขึ้นก่อนคือเป็นตั้งนะโมหรือว่ายกภาสิทธิพุทธภาสิทธิให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 สัตตาคัดฉันติทุกขติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พระคาาญาติโยมได้มาร่วมที่ศาลาวัดสมณกิจและวัดหลังสารของพวกเราได้พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้เป็นวันวันเดือนดับ ของปีพศ2553เดือนสี่ดับวันนี้ตรงกับวันที่14มีนา53หลวงพ่อเองได้ลงมาจังหวัดภูเก็ตได้มาในงานวันเกิดของหลวงปู่เนตรอำเภอแหลมศักจังหวัดกระบี่เมื่อวานวันก่อน แต่เมื่อวานก็ได้เดินทางมาถึงภูเก็ตแต่วันนี้ก็ได้มาพักคงจะพักที่ภูเก็ตอีกแล้ววันพรุ่งนี้คงจะได้ลาพี่น้องชาวภูเก็ตกับอุดรตรงขึ้นไปอุดรเลยอันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะได้ลงมาภูเก็ตแต่ละครั้งหลวงพ่อก็ได้คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะาระธุระคูบาจานัน แต่ละแต่ละวัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยอมรับว่าภาระของหลวงพ่อเนี่ยหนักพอสมควรก่อนที่จะไปที่ไหนต้องได้คิดแล้วคิดอีกที่จะลงมาภูเก็ตก็เช่นเดียวกันต้องได้คิดอีก เ, ออเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าก็ยังคิดอีกเหมือนกันโ อ, อ, อ้ทำไมมันจะหนักหนาไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่า การงานของพระจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ที่ไหนได้พอเป็นมีอายุพรรษาขึ้นมาครูบาอาจารย์ที่เป็นเถระมหาเถระที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เราได้พึ่งพาอาศัยท่านก็ร่อรงรอยไปเรื่อยๆจนมาถึงเราถึงพอมาถึงเราเราก็จะต้องรับภาระอี ก, กต่อไปก็คงส่งให้แก่พวกน้องๆต่อไปอีกเหมือนกัน เพราะนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพวกเราทุกครท่านจะต้องสืบทอดกันฝ่ายพระกว่าศักยญาุตรบุตรพุทธชินนรถคือเป็นลูกของพระพรรุทธเจ้าคณะพุทญาติโยมก็เป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพรรุทธเจ้าเช่นเดียวกันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาเกิดมาทั้งทีชีวิตเด็กพบพระพุทธศาสนา หลวงพ่อว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญนะมีบุญมีบุญปีมีกุศลในอดีตชาติที่พวกเราได้มาเกิดมาพบพระพุทธาศาสนาอย่างพี่น้องชาวภูเก็ตพังงากระบี่หลวงพ่อว่าเป็นผู้มีบุญส่วนหนึ่งที่หลวงปู่เทศเทศรังสีและภาคณะสงฆ์ได้มาประกาศเผยแพร่ธรรมะในถิ่นฐานสามสี่จังหวัด ทางภาคใต้ของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกกูบาลการรุ่นเก่าลุงู่เทศไม่ได้ลงมาประกาศเผยแผร่ธรรมะในถิศนี้ลงพ่อว่าพวกเราคงจะห่างเถินคงจะไม่มีแนวความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติกิจภาวนาก็คงจะไม่ได้ได้ศึกษาถึงขนาดนี้แต่นี้พวกเราได้รู้ ครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นได้มาแนะนำสั่งสอนวิธีการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตะภาวนาที่มาสั่งสอนพวกเราพวกเราจึงได้ถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติมากระทั่ง ว, วัดพวกวันนี้แนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นท่านก็ได้แนะนำได้นำทำคำสอนออที่หลวงปู่มั่นที่ท่านได้ รู้ได้เห็นได้ประพฤติปฏิบัติได้ทดสอบทดลองมาแล้วจนเป็นที่พอใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจาราย์หลายๆท่านที่ท่านร่วงลับไปรวนแล้วแต่อธิธาตของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมกลมให้พวกเราได้เห็น ที่ว่ากระดูกได้กลายเป็นพระธาตุนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงอธิธาจะได้กลายเป็นกระดูกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นพวกเราจึงมั่นใจได้ว่าพวกเราได้พบพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อหรอพวกเราเป็นผู้มีบุญที่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างที่ว่าเนะี่ยแหละเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญก็ให้รักษาระดับของตอนเองเอาไว้ให้ศึกษาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านก็ให้นํามาประพฤติปฏิบัติแต่บางท่านบางองค์ ท่านก็สอนอีกหลายแนวหลายแถวในการที่จะแนะนําสั่งสอนแต่ตามที่จริงถ้าเราได้ศึกษาให้ทีทวนแล้วการแนะนําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบายการแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นก็ไปแนวแถวเดียวกันแต่พวกเราพูดไม่ได้รับการศึกษาดีนะศึกษาดีคืออะไร คือไม่ได้กว้างขวางเราไม่ได้ศึกษาในแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างมากในพระไตรปิฎกอย่างนี้ถ้าท่านองค์หนึ่งแนะนําสั่งสอนอย่างหนึ่งเราก็ปักใจไปทางหนึ่งพอสองสอนหนึ่งเราก็ปักใจไปทางหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราได้ฟังดีศึกษาดีแล้วครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนกรรมฐานโดยมากจะแนะนําสั่งสอนในในสติปัฏฐานสไม่นอกเหนือจากนี้ สติปัฏฐานสี็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็คืออะไรอย่างที่พ่อแม่กูบ่ายแก่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธนะอย่างนี้เอาอะไรกําหนดเอากายก็คือลมหายใจเข้าออกก็คือกายหรือว่ายกหนอพองหนอก็เอาอะไรกําหนดก็คือกายหลายหลาอย่างที่ที่นํากายมากําหนดเรียกว่ากายยานุปัญนาสติปัฏฐาน เวทนาก็คือความเคลื่อนไหวการเจ็บปวดการพราิจารณาร่างกายาการพิจารณาทุกในใจทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาค า, าว่าเวทนาคานี้มีอยู่สองคือเวทนาทางใจสิ่งที่มากระทบใจเราก็เป็นทุกเนื้อทุกขเวทนาทุกขเวทน า, า, ท, นาทางกายคือเอย็นร้อนหิวกระหายเาย็นหนาว อย่างนี้เจ็บปวดกันนี้อันนี้บอกเวทนาของกายแต่เวทนาของใจนั้นก็คือสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ไม่พอใจอสิ่งที่กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจแล้วก็ทุกเวทนาทางจิตและทุกเวทนาทางกายอันนี้คือเวทนาจิตก็คือความนึกคิดความรับรู้จิตใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวของเราเแลวการทำคือทำมาลงที่มากระทบใจ เป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนเรียกที่ไม่ดีเราอากรุศลที่มากระทบจิตอันนี้ระหว่างสติปัฏฐานการแนะนำสั่งสอนนั้นจะไม่เหนือนอกเหนือจากจิตสติปัฏฐาน4แต่ว่าการภาวนาเนี่เหมือนกับเร า, เ, าเหมือนกับเร า, เ อ, าออกกาลังกายอย่างนั้นนะไม่มีใครที่จะออกกำลังกายแทนเร า, เาและการภาวนาก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะภาวนาแทนเรา การเรียนหนังสือของเหมือนกันไม่มีใครที่จะเรียนหนังสือแทนเราเราเป็นคนเรียนเองรู้เองเนี้ก็เหมือนกันในการภาวนาประพฤติปฏิบัติก็ลักษณะอย่างนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมนะเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดการภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่ได้จะไม่พูดอย่างอื่นเพราะพวกเราเห็นพวกเราท่านทั้งหลายแล้วหลวงพ่อซึ้งในใจ ว่าพวกเรานี่เป็นผู้มุ่งมั่นในภาคปฏิบัติแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะได้ผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นกระสุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะใส่ใจขนาดไหนมีความมุ่งมั่นขนาดไหนปฏิบัติจริงจังขนาดไหนใส่ใจขนาดไหนปฏิบัติสมบพเสมอขนาดไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติให้สมบพเสมอ ไม่แหย่ขาดตกบกพร่องและก็พยายามมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงนั้นหลวงพ่อมั่นใจและเกินว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นจะได้ผลแต่ว่าพวกเราทำลุ่มลุ่ ม, มดอนๆอนคิดขึ้นมาได้ก็ทำํำพอลืมไปแล้วกว็ลืมไปานานนา น, น, านแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําทมีแต่มาทวงทวงว่าทำไมการปฏิบัติของเราปฏิบัติมานมนานไม่ได้ผลเพราะเหตุใดการที่ไม่ได้ผลนั้นเพราะเหตุใด ใช่จะเปรียบเทียบกับเหมือนเราปลูกต้นไม้พอปลูกเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้สนใจปล่อยปะหน้าเลยไม่รว่าเทาวันไม่รว่วต้นไม้คุมไม่รั่วคือเขาคุมทั้งน้ํทาทั้งปุ๋ยเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่มันต้นไม้จะงอกเงยขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราปลูกแล้วพยายายมดูแลใสใ่ปุ๋ยสดน้ําแล้วก็ดูวัดชืชไม่ให้คุมดูแล โ, โดยสม่ําเสมอ ต้นไม้ต้นนั้นก็จะงอกเลยออกดอกออกผลให้แก่พวกเราได้อยู่ได้กินตามอัตภาพหรือว่าตามต้นไม้นั้นๆจะให้ดอกผลแต่ถ้าพวกเราปล่อยปลานล่าเลยไปโดยมากจะไม่ได้ผลนี่ก็เหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่าก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านก่อนหลับก่อนนอนพวกเราอเชื่อมั่นในธรรมคําสอนของ เพราะผู้ใหเจ้าเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ ป, ป, ปฏิบัติให้สม่ําเสม อ, อก่อนนอนไหวพระสักก่อนอกราบพระไหวพระสักก่อนอัลลฮะสวะคาโตสุปฏิปนันโนนโมตตะ อ, อิติปิโสสวะคาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็ ก, กายเยณวาจายาวายเจต ส, สวาพุเ ท, ทเถธรรมเณสังเเกกุกมังประกตังปยายอย่างคล้ายคล้าวัด ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอขอพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดเมตตาโหวสวให้ข้าพเจ้าด้วยเทินกายเยนะจากนั้นเราก็แผ่เมตาตาต่อสรรพสัตว์ขอสรรพสัตว์ทางหลายที่วิญญาณทางหลายมีปู่ย่าตายายปรุงสาคณาญาติญาติสหายเจ้า ก, กรรมในเวร ทกวิญญาณทั่วใจโลกธาตุข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขอให้วิญญาณเหล่านั้นให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คื อ, อ, อก่อนหลับก่อนนอนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิจากนั้นเมื่อเราไหวพระแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วควรแก่การนั่งภาวนาเราก็หามุมสงบ ป, ปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ ปิดสื่อต่างๆวิทยุเราปิดหมดที่มันเกี่ยวข้องเราเว้นเจีแต่ของคนอื่นเขาถ้าเป็นของคนอื่นเขาเขายังฟังเขายังนั้นอยู่เราก็นอนก่อนเขาพักผ่อนก่อนแต่เมื่อเขาพักผ่อนนอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็หามช่วงที่เขาสงบจิตเราผลลุกนั่งสมาธิเนี่เราต้องหาโอกาสการสร้างคุณงามความดีเราจะให้มันเอือเอ้ออภวยทีเดียวมันยากเหมือนกัน อย่างภาะกรรมฐานไม่ใช่ว่าท่านจะเลือกอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านต้องสองแสวงหาเข้าไปในป่ารงคงไฟอยู่ในถ้าอยู่ในป่ารกชัดหา่างไกลจากมนุษย์ที่กันรงกันดานที่วัดกลัวอีกต่างหากที่ท่านเข้าไปสองแสวงหาภาวนาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านของเราเราก็สองแสวงหาหมู่สงบเหมือนกัน เ, เราไม่ใช่ว่าเราจะนั่งภาวนาในที่วุ่นวายจิตใจของเราก็จะ หาความสงบให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหามุมสงบในวันหนึ่งๆมีไหมมุมสงบอย่างเที่ยงคืนอย่างเนี้ยจวนสว่างอย่างเนี้ยจากนั้นมาเราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเลยเไม่มีขันห้าขันแปดอะไรหรอกออจากนั้นกับปนมือขึ้นระหว่างอกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะนาในร่ยแหละวิธีกา ร, รการภาวนาะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทําเนี่ยแหละพวกเราท่านทั้งหลายทำเนี่ยทำมาแล้วแต่ว่าข้อทั้งปันให้จริงจังจะเป็นที่นากรรมฐานมากําหนดท่านเองเลยถึง เ, เราจะทํำยังไงเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้านทั้ง40อย่างกรรมฐาน40และมากกว่านั้นอีกต่างหากแต่สีอย่างนี่คือเอามานํามาพอประมาณเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่านำมาทุกวิธ ท, ทุกอย่างต้องทําอย่างนี้นะจบเพียงแค่นี้แหละกรรมฐานสี่ทิบนนี้แหละพราะพระองค์ก็ท่านก็ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพอประมาณกรรมฐานสี่สิบนี้ที่นํามาแนะนําสั่งสอนนี่พอประมาณสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นจะมีอีกอบางทีภาษาวกที่ท่านแนะนําสั่งสอนสั่งสอนทอะไรก็ไม่ได้จิตไม่สงบไม่ได้รับมรรตรับผล จะต้องน ำ, ำจะต้องนาสาวกลูกศิษย์ของตัวเองไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกเอออันนี้เป็นวิสเป็นวิสัยของพุทธะไม่ใช่วิสัยของพวกเธอจะสอนอย่างนั้นก็ยังมีอีกเพราะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วมีมากลากหลายที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านก็ แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ได้นํามาประพฤติธปฏิบัติจนได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้มรู้ผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าที่ท่านนํำทําสอนของถ่ายทอดมาจากหลวงปู่มั่นท่านก็ได้อัติธาตของท่านก็ได้กลายเป็นกุธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นสแสดงว่าท่าน นำทำคำสอนของหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดพวกเราไม่ผิดบ้างานไหมไม่ผิดเพราะท่านเองก็ได้ได้มาอย่างนี้แต่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ท่านจึงได้มาแนะนําสัมสอนพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังที่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสัมสอนให้ภาวนาพุทโธเนอะร์กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโพอันนี้แหะคือกรรมฐานที่หลวงปู่มั่น ต่ตาไม่กินกรรมฐานของพระพุทธเจ้าทีเราไปศึกษาเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในวันเดือนบกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมในวันใ น, ในวันเดือนบกเพนนั้นท่านทําอย่างไรท่านกําหนดอะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพ ธ, ธิญาในวันเดือนบกเพนนั้นอันนี้พวกเรานําทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ ท่านได้แต่รู้นั้นมาพิจารณาอีกทีหนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบกับที่หลวงปู่มั่นท่านได้สอนเป็นไปแนวแถวเดียวกันไหมแหมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพ็นครัพระพองค์ไปทดลองอยู่ทั้งหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนท่านลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหละอลองลหลายๆอย่างถึง6ปีแต่วันสุดสําเร็จในวันเดือนหกเพลนครับพระพุทธองค์ทําอย่างไร พระองค์บอกว่าในวันคืนบันเดือนปกเพนนั้นนายโสติยะได้หาบยาคาผ่านมาแล้วก็ได้มอบยาคาให้แก่เราคือสิท ธ, ธัตถะพกทธองคยังไม่ได้ตัดชรุน่นยังเป็นสิทธัตถะอยู่มอบยาคาให้แปดกำมือจากนั้นสิทธัตถะก็ได้ยำนำยาคามาเกลี่ยลงที่โทนต้นโพ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 อันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้านะแต่ท่านไม่ได้กรรมบริกรรมว่าหายใจเข้าพุธหายใจออกโพเหมือนหลวงปู่มัน่นเนี่ทําไมหลวงปู่มั่นจึงหายใจเข้าพุธออกโพหลวงพ่อจะที่ายให้ฟังอีกทําไมหลวงปู่มัน่นท่านจึงสอนอย่างนั้นแต่แนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนะมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก ในวันเดือนกเพ็ญนั้นในช่วงนั้นคือว่ปัต ม, มายามคือยามยามต้นคือตอนหัวค่าคพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงท่านพูดถึงขนาดนั้นท่านบอกพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในขณะที่ท่านนั่งสมาธิคือท่านเข้าสมาธิในในการกําหนดในวันนั้นพอกําหนดลมหายใจรู้ว่าหายใจเข้าหายออกไม่ได้ตามลมเข้าไปในท้องและไม่ได้ตามลมออกไปข้างนอก เพียงแต่ว่าให้ลมผ่านเข้าไปก็ปรู้ว่าลมผ่านเข้าไปลมผ่านออกมาก็รู้ว่าลมผ่านออกมาเหมือนอหมืจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนกับเหมือนกับสติของท่านยืนอยู่ข้างประตูอย่าประตูที่ขึ้นศาลาของพวกเราให้คำว่าเรายืนอยู่ข้างประตูศาลาคนผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามาแล้วคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไป ไม่ได้ตามคนเข้ามาในศาลาและไม่ได้ตามคนออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่ารว่วคนเข้าและคนออกคนเข้าและคนออกอันนี้พระพุทธองค์ได้กำหนดลมหายใจขององค์ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปัชัญญะในลมหายใจเข้าออกอย่างแน่วแนว่ไม่เพลิดจากนา้นกิดขององค์พระไทยขององค์ใจขององค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จิตสงบเป็นหนึ่งแน่วไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ไม่ได้สง่งออกไปข้างนอกเพราะนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบแล้วเกิดญาณทัตนะเกิดฌานเกิดญาณญาณทัตนะพ่อเกิดฌานญานณทัตฉะแล้วพระ อ, องค์น้อมจิตของพระองค์ที่เป็นหนึ่งนั้นล้ำลึกชาติน้นลักหลัง กำหนดตัวชาติที่แล้วคืออะไรท่านจึงมีคำเป็นพระบาลีขึ้นว่าปุกเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้นั่นแหละในปฐมมัยาะเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดหนึ่งอีกเหมือนกันอยากจะบอกกล่าวสัาทา ย, ยาทยมผู้ที่ไม่เชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ทำไมตายแล้วเกิดทําไมคนที่ตายแล้วทำไมไม่มาบอกให้เราอันนี้ก็คือ เดี๋ยวนี้กำลังหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆในโลกยุคนี้สมัยนี้เพราะฉนั้นพระพุทธองค์ยืนยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูบภพเพนวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าตายแล้วสูบจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูบ น, นั้นให้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินก็คือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนใจของเราว่าใจของจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกาย น, น, นีนนาานะ่เป็นอันหนึ่งแต่ส่วนจิตใจนามธรรมนั่นเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้แนะนําสั่งสอนว่ามนุษย์ของเราเยอยู่ในร่างกายมีอยู่สองคือรูกประธรรมและนามธรรมโลกประธรรมและนม า, ามธรร ม, ม, มอยู่ในตัวของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพวกทุกท่านนะอันนี้ก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือน6เพือ น, นั้นอันนี้คือกุญแจดอกแรกคือภูเพนวาสารสุสติยาพอถึงเที่ยนคือจุตูตปปาตยาพอจวนสว่างอาสาวกยญาณเนี่ยท่านได้ตัดรู้สในวันเดือน6เพือ น, นั้นท่นี้มาย้อนถึงหลวงปู่มั่นที่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราทีหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าเรากําหนดเพียงเวีา่า หายใจเข้ากำหนดรูหายใจเข้าหายใจออกมันสั้นไปหลวงปูมัน่นควรจะบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถแต่ยังไม่ต้องตามลมเข้ามาในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปทางนอกให้มีสติสำมปรชันยะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโถ ก, กำหนดลมหายใจเข้าออกนี้หลวงปูมัน่นท่านบอกว่า เกือถูกกับทุกจริตเกือถูกกับทุกจริตในการบริกรรมในการภาวนานี่แหละไอ้ p o i n นั้น p อให้พวกเราจัดชมทุกคนนะในภาวนาอย่าไปลวนเลยอย่าไปสงสัยยึดกรรมาฐานไหนขยึดกรรมาฐานนั้นไว้กอดไอ้ยึดกรรมาฐานกําหนดลมหายใจหลวงปูมั่นเป็นหลักถ้าว่าพวกเราภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกหลวงปู่มั่นแล้ว มันยังไม่สงบเออเราจะเปลี่ยนกรรมฐานไหนเราก็ค่อยเปลี่ยนแต่จะเป็นผู้จับจดนะเปลี่ยนกรรมฐานคนนั้นว่ากรรมฐานนั้นดีเปลี่ยนคนที้ว่ากรรมฐานนี้ดีก็เปลี่ย น, น, ok, รรมน ee, ไม่รู้กี่ครั้ง เ, เปลี่ยนกรรมฐานเหมือนกับเร า, เาปลูกต้นไม้เขาบอกเออปลูกต้นไม้ตรงนั้นมันดีนะเราก็ไปปลูกต้นของที่ว่าดีบอกคนอีงอีกว่าปลูกตรนั้นไม่ดีเราปลูก like, ตรง น, นี้นดีกว่าย้ายอีก ผลที่สุดต้นไม้นะั้นเลยไม่ใหญ่สักทีเพราะอะไรเพราะเราเคลื่อนย้ายอยู่เรื่อยนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรายึดกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดไหนเราต้องพยายามทําให้ถีทวนให้ดีที่สุดให้นานที่สุดและผลมันออกมาอย่างไรถ้ามันผลออกมาอย่างไรถ้าไม่เป็นที่พึงปรารถนาใจของเราไม่สงบเราจะเปลี่ยนกรรมฐานใหม่ก็ได้นะแต่ถ้าว่าเรา เปลี่ยนกรรมฐานบ่อยเกินไปเป็นผู้จับจดอย่างที่เปลี่ยนต้นไม้เรื่อยๆอย่างที่ว่าจะไม่ได้ผลในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลานั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้มาบอกกล่าวพู้พวกเราในคนะเหลนหลานเหลนเหมือนกันนะพวกเราควรจะฟังแนวแถวที่ภู่บ่ายการแนะนําสั่งสอน จากนั้นท่านบอกว่าถ้าหากว่ากำลังลมหายใจเข้าออกแล้วมันยังมีช่องว่างเออมันยังมีช่องว่างออกไปอยู่ให้บริกรรมให้ถีเข้าขณะจิตที่มันคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมทับอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจทังตัวตัวเองที่มันนึกคิดอยู่ขณะนั้นอันนี้ให้ทําดูแต่อย่าไปเกรงนะอย่าไปกลึงเอออย่าไปเพ่งเกินเกินไปกับเพ่งเกินไปจะปวดหิษะ บางทีจะมวนท้องเหมือนจะอาจเจี ย, ยนเนีลักษณะอย่างนั้นมันมีถ้าเราเพ่งเกินเกินไปเพราะนั้นทำใจให้ ส, บ, สบายเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่กำหนดพุทโธพุทโธหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นอีกกรรมฐานหนึ่งจากนั้นครูบาอาจารย์ลูกปูนหลังอีกท่านก็แนะนำหลวงพอ่อเอามาประพฤติปฏิบัติดูหลวงพ่อเออ อ, อันนี้ก็ได้ผล เอออันนี้คือแนวความคิดที่หลวงพ่อได้รับจากครูบาอาจารย์ประมวลมาแล้วก็จะมาเก่าวบอกกล่าวให้แก่นักศึกษา ญ, ญาติโยมทดลองทาดูสิทําอย่างนี้หลวงพ่อจะบอกลักษณะ น, นั้นนะไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้ดีที่สุดไม่ใช่นะทดลองดูสิทําอย่างนี้นะคือให้กําหนดลมหายใจและให้นับตัวเลขพ่อพวกเราเคยชินตื่นมาก็ต้อง น, นับเงินนับทองนับอะไรตรง น, นี้อะไรแต่เราทดลองเรานับดูสิ การนั่งพอนามคงจะอยากจะนับดูสินับลมหายใจเข้าหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้ า, ห า, า, ห, าหายใจออก6แต่ก็ไม่เกรงไม่ให้เกรงอีกเหมือนกันน่ะเพียงแต่ว่าให้มีสตินับลมหายใจเข้าออกจนถึงร้อยพอถึงร้อยกลับมานับหนึ่งมาอีกถึงร้อยนับอีกออสั่ห้าหกเจ็ดครั้ง9้าครั้งบครั้ง ยังค่อยภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถต่อในขณะที่เรานับมันเป็นยังไงหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจเวลามันจะขาดสติแล้วมันมันจะขาดภาวนาขาดสตินั้นมันจะเบอร์นะเบอร์เบอร์เอร์เพรเบอร์เบอร์มันจะสมมติว่าเรานับไปถึงสามสิบยังไงหายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามอันนี้มันเคลื่อนนะ่ พ่อใหญ่จะบคลื่อนเพราะเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สมหายใจออกเป็นเลขคู่4เออขี้คู่ท<ค>ี่คู่ขี่คู่ขี่ไปถึงร้อยแต่ถ้ามันเบอร์ะมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้มันสลับเอลคาร์นโปรเนสเปชสปะแสดงว่าสติของเราขาดแล้วในเมื่อสติของเราขาดเราเออถ้ามันขาดบ่อย เราก็รู้ได้ด้วยตนเองอู้สติของข้าวไเจ้าขาดบ่อยเหลือเกินนับไปไม่มีกี่ครั้งก็ขาดเอาขาดเอาอย่างนี้ถ้าเผลอต่อไปภายภากหน้านถ้าเราปล่อยปานล่นเลยเราจะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะเนี่ย ใ, ให้สอนตัวเองอย่างนั้นเราจะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะเนยเพราเหตุอรเรานับให้เท่าไหร่มันขาดแหะมันเบลอแหละแต่ถ้าเรานับถึงร้อยสติของเรายังมั่นคงไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีหนึ่งนาทีแล้ว เออนี่แหละให้สังเกตตัวเองถ้าเราไม่สังเกตตัวเองไม่มีใครที่จะสังเกตสังเกตเราเพราะนั้นการภาวนามันมีหลายวิธีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่เดินจงกรมเราทำยังไงหลวงพอ่อมึงคนก็ยังจะเดินจงกรมเดินจงกมรมคือเรากำหนดทางเดินยังกรมอย่างที่หลวงพอ่อกิรวาดบอกว่าทางเดินยังกรมนั้นให้ไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเป็นไปได้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสถานที่อื่นถ้ามันไม่มีเราจะเดินทางไหนเราก็เดินทางไหนก็ได้กําหนดไปเถอะแต่ ว, ว่าถ้าเราอยู่เป็นที่เป็นทางเราก็ควรจะทำทางเดินยังกรมทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มันแลวทายาวขนาดไหนหลวงพ่อก็อคงจะประมาณ2 0 5ถึง30 2 0ถึงเมตรขนาดพอดีพอ ด, พอดีขนาดนี้ ถ้ายาวเกินไปก็ยาวเกินไปนะนแต่สั้นเกินไปมันจะเวียนศีรษะแลิวิธีการเดินโยงกลดเราทาอย่างไรตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนของหลวงปู่ลาศหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลาเป็นเนรของหลวงปู่ลาท่านก็สอนหลวงพ่ออีกลวงปู่มั่นสอนนะสอนวิธีการเดินโยงกลมพอกําหนดไปอยู่สุดทางจ ง, จงกรมทางด้านใ น, ด, นด้านใดด้านหนึ่ง สักก่อนจากนั้นก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกนะคลงุงครูล่าท่านทำให้ดูนะแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกจากนั้นก็ไหว้ครูสะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสมครั้งสจบจากนั้นก็แผ่เมตตาเข้าไปแก้วต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่น ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่เขาไปเจ้าต้องการอย่างที่เขาไปเจ้าปรารถนาอันนี้คือแผ่เมตตาให้จิตใจของเราอ่อนนิ่มซะกอ่อนคือคนเราเนี่ยถ้ามีความอาฆาตพยาบาทจองเวรอยู่ในใจลเลือดอยู่จะทําให้จิตใจสงบได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้แผ่เมตตาซะกอ่อนจากนั้นก็เอามือวางลงในในระหว่างทอง้องประสานกันเออมือวางร ะ, ระหว่างท้องคือ มือขวาทับมือซ้ายเนีน่ยนะจักลักษณะแบบเหมือนกนั่งสมาธิแต่ประสานลงไปที่ท้องน้อยจากนั้นขาขวาพุทธขาซ้ายโถขาขวาพุทธซ้ายโถเดินตามปกติอย่าไปเดินช้าอย่าไปเดินเร็วเดินภาวนาพุทโธเดินปกติเราเดินอย่างไร<ม>ก็เดินอย่างนั้นให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถขาขวาพุธซ้ายโถพุธ พุทโธพุทโธแลทเมื่อไปสภพทางเดินธโงกลมเราจะเวียนขวาก็ไุ้ธโภุทธโภแุทธโภพุทาโภท่า น, น, านาพ่านโภพุทธโภพุทธวภพุทธโภพุทธโภพุทธโภพุทธโภพุทธโภพุนธโภพุทธโภพาทธโภพุทธโภพุทโธพุทโธพุทโภพุทธพุทธโภพุทธโพุท่โภพุทธโาพุทธาภพุทธโภพุทปูภพุทธโนพอทธาเอามือภพุทหลังถ้ามือุทธโหลุงนโภนุทธโภพุทธโภพุมืมอภพัทธโภพรทงโภพุทธโภเดิ น, น ถ้าเอามือกอดอกคือเหมือนเจ้าทุกเดินใครบอาคนมีทุกในใจทุกระทมแล้วก็เดินเอามือกอดอกแล้มือไวแขวนเดินท่านบอกท่าไม่เคารพแต่ถ้าเอามือประสานทางระหว่างท้องอันนี้คือท่าลำพึงทําท่าลำพึงคือท่าคิดท่าไข้กวนท่าพิจารณาเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัตยาโจรพระเนรภูกองค์หรือคณาาาาะสัตยาโจรจะเดินจงกรม ไม่ต้องเคอะเ ค, เ ค, เคอะขนเขินนะพูดง่ายๆอันนี้คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิ์ญาณสิทธิ์ของท่านหลวงพ่อเองก็ได้นํามาถ่ายทอดแต่ถึงยังไงครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็คงจะถ่ายทอดให้แก่ขา้าราชกาญาติโยมแต่ลูกหลานหลายคนคงจะไม่ได้ยินได้ฟังใน้ทัวถึงแต่วันนี้ผู้ได้ฟังจากหลวงพ่อไปนี่ก็ขอให้พวกเราเดินจงกรมได้เลยไม่ต้องสะทกสะตานไม่ต้องว่ามันมันไม่ถูกนะ และก็พร้อมกันบางคนก็ได้ยินอีกเหมือนกันทําทำไมหลวงปู่มั่นหรือว่าครูบาอาจารย์กรรมาฐานเนี่ยทําไมจึงให้เอาพุโทโธลงที่เท้า เ, เหมือนเราเหยียบพุโทโธอย่างนั้นะขาดความเคารพไม่ใช่เหรอทําไมจึงเอาของสูงมาลงมาลงที่เท้าของตัวเองพุโทโธอย่างนี้สมควรหรือไม่ฮะ อ, อันนี้หลวงพ่อได้ตอบคําถามผู้ที่ถามหลวงพ่อมาแล้วบอกว่า คำว่าหัวคำ ว, ว่าศีรษะใครเป็นคนใครเป็นคนว่าสูงเท้าใครเป็นคนว่าต่ําใครเป็นคนให้ความสมมุติว่าเท้าและหัวเนี่ยสูงและต่าใจของเราใช่ไหมไปให้ความสมมุติเท้าและศีรษะของเราว่าสูงและตำ่ำแต่ถ้ามาถือว่าเท้าตำ่ำจริงๆก็ตัดเท้าทิ้งสิหัวจะไปได้ไหมหัวก็ไปไม่ได้เพราะอะไร เราต้องถือว่าเสมอกันทั้งหมดในร่างกายไม่ว่าจะส่วนไหนเสมอกันมีคุณค่าเสมอกันเทียบเท่ากันเพียงตวใจของเราไปให้ความสําคัญในจุดนั้นจุดนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะไปให้ความสําคัญจุดไหนสิให้ความสําคัญเสมอกัาอให้ความสําคัญเสมอกั น, ใ, กนในศีรษะและเท้าให้เหมือนกันในความรู้สึกของเราในขณะที่เดินโยกบลเราจะไม่ไปวิตกอย่าไปกังวลว่าเท้าสูงเท้าต่ําหัวสูง ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ชนิดในใจในการเดินจงกลบเพราะนั้นให้ถือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านพระพุตปฏิบัติมาเถอะนะจะได้รับผลอันนี้คือวิธีการเดินมักสมาธินะ่คือสมถะในหลักของพุทธศาสนาที่ว่าแนวแถวของหลวงปู่มัน่นท่านสอนว่าถึงจะทำยังไงใจของเราเนี่ยสมาธิมันไม่อยู่ จิตใจสงบสามขั้นคณิกะสมาธิคือจิตใจรวมช่วงทู่ช่วงขณะช่วงวับหนึ่งถึงจะเป็นช่วงวับก็เถอะเหมือนกับเราถูกน้ําแข็งนะเราร้อนๆมานะถูกน้ําแข็ง อ, อมันจะเย็นวับในร่างกายของเราเราก็จําไม่ลืมโอ้โหทำไมเย็นมีความสุข อ, อ, อย่างนี้เนี่ยพราะเราร้อนมาแล้วนี่ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราวุน่นวิ่วุ่นวายทั้งเดือนทั้งปี ไม่รู้เรื่องอะไรตัววิอะไรแต่ใจของเรากำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะไม่คิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกใจของเราเข้าสู่ความสงบเพียงชั่วขณะหนึ่งเ mm. ชั่วประเดียวประดาวเพียงแค่นี้ใจของเราก็ได้รับความสบายเ mm. ย็นสบายอันนี้เรียกว่าคันนิกะสมาธิเน่จิตสงบเพียงชั่วครู่ชั่วขณะอันนี้เราก็จำไม่ลืมมันแปลกแตกต่างกว่าจิต ว, วไปจิต ท, ทั่วไปนั้นเรารู้ว่าจิตมันร้อนแค่ไหนแต่จิตสงบเนี่ยถ้าเราได้เพียงขณะเดียวต่นนั้นเราก็จําไม่ลืมอันนี้คือคณิกะสมาธิแต่เมื่อเราพยายามดูควบคุมใจของเราไม่ให้คิดออกไปอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันเอาสมาธิเอาสติควบคุมจิตอยู่ใจของเราก็อยู่ในกรอบของสติสัมไปชัญญะ ใจของเราจะไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายใจิตใจของเราให้เข้ามีสติคุ้มครองใจไม่ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกในเมื่อเห็นสิ่งไหนเข้ามาเราก็รู้สักว่าเห็นรู้สักว่ารู้แต่ก็รู้ได้แต่ใจิตใจไม่ได้ส่งออกไปตามความรู้ความเห็นเตลดเิดเปิดเปิงเหมือนตะกอนอันนี้คือสติสัมปชัญญะควบคุมสติจิตของเราอยู่ในระดับจิตไม่หิวจิตไม่โหยอันนี้ว่าอุปจารสมาธิ เราได้เราก็รู้ได้ยุได้เห็นได้ยินเสียงแต่ว่าใจเมื่อได้ยินได้เสียงส่งได้ยินจริงไใจก็ไม่ส่งไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นมันรู้คร อ, อบคุมอยู่อันนี้เลยว่าสติเป็นอุปจาระแต่เราพยายามทําจิตของเราดูากําหนดดูให้ละเอียดให้นิ่งไม่ให้มันส่งกระซับกระสายถึงจะกระซับกระสายฉั้นก็พยายามดูอีก กำหนดดูให้นิ่งกว่านั้นอีกจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันา น, านั้นจิตเป็นอะไรสติเป็ น, น, า น, านอันนั้นอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้เป็นจิตที่แนบนิ่งจริงๆมีความสุขในสมาธินี้สมาธิจะเป็นระดับไหนก็ตามไม่เกินระดับนี้ อัปปนาสมาธิหนเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งที่สุดในสมาธิทั้งหลายแต่เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึง่งเสียงจะไม่ได้ยินเมื่อจิตรวมเข้าไปเป็นหนึง่งเสียงจะไม่ได้ยินเราจะนั่งอยู่ในสถานที่ใดเมื่อเราไม่รู้ว่าเรานั่งที่ไหนในขณะที่จิตสงบนั้นรู้แต่ว่าสติเป็นอันใ ด, ดนนนนนจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นนี่กายกับใจรู้ชัดด้วยด้วยตัวของเราเอง ร่างกายมันเป็นรูปธรรมใจนี่เป็นนามธรรมรู้ได้ด้วยตนเองวะนี่แหละพระพุทธเจ้ า, ยาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูตตายแล้วเกิดอีกแน่นอนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุอะไรเพรามันชัดในความรู้สึกในสมาธินั้นตัวที่ตายก็คือร่างกายแตกตายสลายแน่แต่ส่วนนามธรรมคือใจตัวผู้รู้เด็กโดดเด็กมากตัวนี้จก รู้ได้ด้วยตัวเองว่าตัวนี้แหละจะไม่ตายไปก่อพบขอชาติไปสวรรค์ชั้นผมไปตกนระกหมกใหม่ตัวนี่แหละตัวใจนี่แหละโอ้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงฉลาดท่านจึงได้สอนให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติอย่างนี้เราจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อที่อื่นเชื่อในตัวของเราเองทีง่ในการประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเร า, เาทับทำทดลองอให้ปฏิบัติดูนะ เนีธรรมะทำคําสั่งสอนเนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าธรรมะบัดจิตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นรู้ได้เฉพาะตนแล้วทีนี้เมื่อออกจากสมาธิแล้วถึงเราเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าโอ้ใจของเราเข้าสูงความสงบเป็นหนึ่งจริงๆริงโอ้จิตสงบนี่มีความสุขจริงธําของของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรท่านจึงสอนวิธีการปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่อง จิตใจสงบถึงจะไปพูดให้ฟังเอ๊ะผมภาวนามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นไปพูดให้ครูอื่นก็พูดลักษณะให้เขาฟังคนเองแต่ส่วนในใจในใจในความนึกซึ้งหรือว่าความความเชื่อของตนเองแล้วเชื่อร้อยเปอเซวันนั้นเวลานั้นเข้าไปเจ้าทำจิตใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิไม่เป็นอย่างอื่มันเชื่อมั่นในตัวเอง ถึงจะถามคนอื่นก็ถามทดลองเชิงไปอย่างนั้นอ่ะนะเพราะนั้ น, น, นสมาธิจุดนี้เพียงแค่นี้พวกเราก็ภาคภูมิใจอย่างมากแต่ได้บ่อยไหมสมาธิ่างนี้อย่าไปตั้งใจจนเกินไปนะคือทำไปเรื่อยๆเนีแต่เหมือนกับเขีย่ยเขีย่ยไอ้ไอ้ก๊อฟลงหลุมอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆเขียดจริงมันก็ไม่ลงนะแต่พอมันไปตั้งใจอย่างไงก็ได้อย่างนี้ มันจะลงลงปุ่มปอกเองอสมาธิอย่างนี้มันจะลักษณะอย่างไงถ้าจะคุมมากก็ไม่ได้ถ้าจะไม่ทําเฉยๆก็ไม่ได้แต่เราต้องทําแล้วจะได้รู้ได้สมาธิอย่างนี้ต่อไปถ้าเราทําจนชํานิชํานาญแล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเราจะทําจิตให้สงบเวลาไหนนก็ได้อันนั้นคือวิธีการทําสมาธิแต่เมื่อทําสมาธิเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วทํำยังไง ในหลักของพ่อแม่ภูบายจาเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาละทีเีนสมอนั้นคือส ม, มัทธาคือทำจิตใจให้สงบไม่ไม่ใช่หยุดหยุดอยุดเพี ย, ย, ย, ยงแค่นั้นแต่ถ้าว่าเราทำจิตไม่ให้สงบเฉยนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินปัญญาเฉยโดยมากจะเป็นสัญญากระสังข า, มารมลมะตุ้งมลมะตุ้ม ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันตัดไม่ขาดเออมันตัดไม่ขาด เพราะเหตุใดเพราะว่าจิตใจของเราไม่แน่วแน่ไม่เป็นหนึ่งถ้าใจจิตใจของเราไม่แน่วแน่ไม่เป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาทางวิปัสสนาใจรักอนิจจังพวกขังอนัตตามันจะคล้ายๆว่าเป็นสัญนยากับสังขารมลุมบรุ่มมลุมบรรทุมมันจะตัดไม่ขาดผลที่สุดภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะได้ผลเว้นเสียแต่พวกขิปปิญญาพวกขีดจักรพิญญาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นไม่ปฏิเสธท่านรู้เร็วท่าน อย่างพภัยะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่พระพุทธเจ้ารู้แต่สักพอรู้เห็นแต่สั ก, กว่าเห็นเพียงแค่นั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนั้นคือพวกคิดปัญญาถ้าพวกทันทาทิน ญ, ญาแล้วโดยมากทันทาทิน ญ, ญาณมันมากกว่าอย่างนักเรียนไอคิวสูงกับนักเรียนหัวเทอในโรงเรียนอันไหนมากกว่ากันพวกเราคิดดูก็แล้วกันเราเนี่เป็นประเทศไหนถ้าได้ฟังแล้ ได้ฟังว่ารู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว์่าเห็นเรายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ฟังแสดงว่าเราเป็นนักเรียนหัวทื่อ น, นะเออเราควรจะตั้งต้นใหม่ต้องฝึกสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วแต่บางคนก็พูดได้อ้ ถ้าภาวนาจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วเดี๋ยวติดสมาธิอ่าอย่างนั่นก็นหลอกกันอีกหลวงข้อบอกว่าเอ้ยอย่าไปกลัวเพราะเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ปูู่่ย่าตายการแล้วการติดสมาธิเหมือนกับคนเข้าไปนอนในห้องแอร์ทานอาหารนอนในห้องแอร์เท่านั้นแหล ะ, ะมันไม่เกิดประโยชน์เราต้องออกมาทํางาน เ, เราต้องออกทํางานมันจึงจะได้ผลเพราะฉนั้นการออกทํางานนี่คืออะไรก็คือเดินวิปัสสนา ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนแต่ถ้าว่าพวกเรากลัวติดสมาธิเหมือนกับพวกเราทํามาค้าขายได้เงินบาท2บาทขึ้นมาโอ้ไม่อยากจะได้เงินมากกว่ากลั ว, วจะเป็นเศรษฐีเดี๋ยวจะติดเงินแล้วก็ไม่รู้จักออกจากบ้านจากเรือนเพราะติดเงินนะเพราะติดเงินติดความสุขในเครื่องอํานวยความสะดวกให้แก่เราอันนี้หลวงพ่อว่าอาทดลองเป็นเศรษฐีเดี๋ยดูซิ ในเมื่อเรามีปัญญาแค่อย่างเดียวมันไม่ติดกับเงิน ม, มีเงินขึ้นมาเราตายแล้วจะออกไปได้ไม่เงินเราไปด้วยไปได้ขนาดร่างกายพวกเรากระดูกพวกเรายัางออกไปด้วยไม่ได้แล้วจะไปติดทําไมเงินมันไม่ติดหรอกถ้ามีปัญญานี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราทําสมาธิให้เป็นสมาธิก่อนเมื่อเป็นสมาธิแล้วเดินเมื่อติดถอนออกมาแล้วเดินปัญญาเดินปัญญาเดินอย่างไรให้กําหนด ดูร่างกายของเรากรรมฐานห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้แก่พระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาท่านให้ทุกองค์ภิกษุสา ม, มเณรท่านให้ทุกองกรรมฐานหาคือเกสาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังให้พิจารณากรรมฐานห้านะร่างกายของเรามีกรรมฐานหจากนั้นข้อบวชเขามานานท่านก็สอนเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูก เชื่อในกะดูกม้ามหัวใจตับท้งผืดไตปอดไายใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะร่างกายของคนเราเนะี่ยมีเพียงเท่านี้ถ้าพวกเราหลงร่างกายก็จะหลงร่างกายคนอื่นหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงยศลาบหลงไปหมดทุกอย่างแต่พวกเราไม่หลงร่างกายของตนเองจะไม่หลงส่วนอื่นจะไม่หลงอย่างอื่น ร่างกายเราพิจารณาดูสิว่าร่างกายของเรานี่คืออะไรมีโครงกระดูกข้างในใช่ไหมมีอาการสามสิบสองใช่ไหมมีกระโหลกศีรษะมีแล้วก็มีแข้งมีขามีกระโหลกอยู่ข้างไหนมีกระดูกอยู่ข้างใ น, รงในเราพิจารณาดูสิว่าร่างกายของเราเนี่มันเป็นอย่างนี้อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งร่างกายของเรา เ, เอาไปด้วยไม่ได้นะตายต้องเอาไปเผาไปทิ้งแน่เพราะฉะนั้น ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราจังเอาไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วเราจะไปหลงร่างกายคนอื่นจะไปหลงาลาบยศสารเสริญสุกอย่างอื่นมันถูกต้องไหมหรือใจเป็นนี่แหละทีนี้เขามาหาใจได้ไดถึงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะใจมันเป็นหลงไปหลงร่างกายไปหลงสิ่งอื่นทีนี้พอจากนั้นมากระยอนมาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อใจของเรา เห็นตามความเป็นจริงร่างกายนีอีกสักวันหนึ่งถึงจะมีความสุขล่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะจะเลี้ยงธนุถนอมตีขนาดไหนก็เถอะบริโภคอาหารถูกหมูห้าขนาดไหนก็เถอะดูร่างกายของเราไม่ให้ขาดตกปกป้องแม้แต่น่อยนึงดูให้ดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะ ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งนะใจนะเนีทิ้งร่างกายนะใจนะอย่าไปทุกข์กับใจอย่าไปทุกข์กับร่างกายเกินไปนะใจนะคือใจสอนใจเออให้ให้สำนึกให้ใจสอนตัวเองในเมื่อเราสอนตัวเองได้แต่ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามที่ได้นํำทำคําสอนของ ต่อพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วนี่แหละที่นี้เราก็ปล่อยวางในจิตในใจไม่ปล่อยวางมากมันก็ต้องปล่อยวางน้อยเพราะมันเห็นตามความเป็นจริงนั่นเห็นคนอื่นเห็นไหมแล้วเป็นยังไงแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับทัวของเราเองเราเป็นยังไงอนี่แหละเมื่อเราพิจารณาดูร่างกายของเรา เปรียบเทียบภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เกิดรู้แจ้งเห็นจริงเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายเมื่อจิตใจเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงใจก็ถอนออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ นิพพานนิพพานไม่ได้หาที่ไหนอยู่ที่ใจคือรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมันม่นถือมั่นว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานสูญสูญอะไรสูงเชื้อที่จะพาให้เกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ที่นำจิตวิญญาณของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้น นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะมาลบขวนทางด้านจิตใจแล้วใจของเราเป็นอิสระใจของเราเป็นธรรมธาตุใจของเราเป็นธรรม ใ, ใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจของเราเป็นอิจฉาเป็นไทย ออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะอัตโนวัตินิพพานังระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้คณะสัายาิโยมทุกทกุท่านน ะ, ะได้ฟังแนวความคิดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบายการที่หลวงพ่อได้นำมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่ริเริ่มภาวนากาหนดอะไรตามแนวแถวของพระพุทธเจา้า และตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังทั้งสองอย่างและกำหนดดูกำหนดอย่างไรทำใจอย่างไงจรจึงจะเป็นคณิกาอุปจาระอัปปนาสมาธิเมื่อติดเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว เ, เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูดตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะใจของเราสงบแล้ว รู้เห็นรหว่าร่างกายนัย้อันหนึ่งส่วนจิตใจคือนมามธรรมนั้นอันหนึ่งคือว่ารูปธรรมและนมะามธรรมเห็นชัดด้วยตนเองอันนี้เราเชื่อมั่นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกเราจะได้นําความรู้มาพิจารณาร่างกายร่างกายสังขารของเราถ้าไม่หลงร่างกายตนเองแนละ้วจะไม่หลงอย่างอื่นที่มันหลงทุกวันนี้คือมันหลงร่างกายของเราเองเพราะนั้นในพิจารณาแยกแยะดูให้ดีร่างกายมีอะไรบ้าง มันน่ารักใคร่ชอบใจมากน้อยแค่ไหนแต่พวกเราพิจารณาตามแนวแถวของพุทธทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายถูกพลกับอาสวะกิเลสเบื้องต้นหลวงพ่อได้กล่าวเป็นพระบาลีขึ้นมาให้แก่พวกเราได้ฟังว่าอรัชิตาเยรัชันติรัชิตาเยนรั ชาเยมิฉาทิฏฐิสมานาทาสัตตาคัชฉันติทุกขติ่แปลเป็นภาษา เ, เราว่านะกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวไม่กลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวไม่กลัวในสิ่งที่ควรจะกลัวผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างนี้ย่อม ไปสู่ทุกขติคือพวกเราอันไหน เ, เราได้พิจารณาตามแนวแถวของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านแ น, นะนำว่าอันนี้ผิดนะพวกเรามาพิจารณาดูเออมันผิดจริงๆอย่างคนที่ไม่มีสินห้าอย่างนี้คนไม่มีสินห้าคนขาดสินห้ า, าแต่เราคิดว่าเกิดสินห้าเป็นของธรรมดานั่นแหเป็นมิจชฉชาทิฐิแล้ะนะพระพุทธเจา้าสินห้านะ ควรงดเว้นนะเราก็ได้งดเว้นเพราะเราเห็นตามความตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยแหละที่ว่าเราเห็นว่ากลัวในสิ่งที่ควรกลัวกล้าในสิ่งที่ควรกล้ากล้าทํากล้าแสดงในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสิ้นห้า แต่พี่จะนำมาเปรียบเทียบไปแล้วเขาเราไม่ใช่อื่นไกลเลยสินห่านเขาเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศาคณะญาติของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราล่ะก็เหมือนกันเราก็เสียใจเข้าไปขโมยของเขาล่ะขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกค่าไทยเขาเสียใจไหมถ้าเขามาพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไทยลูกสามีภรรยาของเราไปเรียกค่าไทยเราเสียใจไหมเราก็เสียใจ แล้วเขามาละราบและ้วล่วงสามีภรรยาของลูกหลานของเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเราไปทำให้แก่คนอื่นเขาเขาเสียใจเขาเสียใจสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเรื่องสินสนค่าเนี่ยนะไม่ใช่อื่นไกลเลยเออถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเขาเราก็เช่นเดียวกันอันนี้แหละ ถ้าเราดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วคนที่ขาดสติทําความชั่วเสียหายไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติไม่มีการยับยัง้งฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ประพฤติละลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสตินี่แหละสิ่งของพระพุทธเจ้าพวกเรานํามาพิจารณาไตรตรองไขข้ควรดูแล้วล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผล มีคุณค่าสําหรับการเป็นผู้ของมนุษย์ของเราแต่พวกเราขาดจริยธรรมมากๆแล้วอย่าหวังเลยโลกทั้งโลกอยาได้รับความสงบพรมเย็นเป็นจุดมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ชี้ออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกคนนั้นไม่ถูกคนนี้นไม่ถู ก, นน ไ, มถกไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้เขามาหาตัวเองถ้าคนไหนพยายามตรวจตาดูดตนเองว่าเสมอคนนั้นแหละโลกทั้งโลกอยากพมเย็นเป็นจุข โลกทั้งโลกทุกวันนี้หลวงพ่อพูดได้เลยว่าโลกขาดที่ริบคือความละอายแก่ไใจโลกขาโอตปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างโลกทุกวันนี้จึงเดือดร้อนวุ่นวายเพราะขาดธรรมโลกขาดธรรมโลกขาดที่ริบกับโอตปัฮะแต่พวกเรามีทีริโอตปะคนในชาติทั้งโลกโลกทั้งโลกจะมีความพรมเย็นเป็นสุขนะในวันนี้หลวงพ่อได้แสดงธรรมแนวความคิด ให้แก่คณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกหลานหมู่พวกเพื่อนผ้านเนินรดพิงอ้อกประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ยินได้ฟังก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทั้งหลายร่รมเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถอ